เทศอบรมพระวันที่ส0กันยายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เด็ดเดี่ยวเน้นหนักไปตลอดจนสุดสามารถการแสดงปลุกใจดีมากด้านหลังมีพูดธรรมดาดังที่เคยพูดไปอีกนิดหน่อย ลากลงสูกที่โลกถมทั้งนั้น ท, าทาน่านตากันเข้าใจย่าเห็นว่าความเพียพรพยายามดที่จะยังพิเล็กให้หมดทิ้งไปจากใจว่าเป็นของหนักหนาเป็นของลำบากยาไปคิดอย่างนั้นเป็นความขัดกับหลักธรรมที่ท่านสอนให้อุตสาหพยายามให้อดให้ทนนี่คือหลักธรรมความเห็นว่าการงาน เพื่อถอดถอนกิเลสด้วยกิจตภาวนาเป็นของยากนะก็คือความคิดประเภท น, นั้นให้ทรงทราบว่าเป็นกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าสึกต่อรรมาเป็นเวลานานแสนนานตั้งแต่การไหนไหนมาว่างั้นเถอะเม่เราประกอบความเพียรมันจะแสดงอากับยิยาขึ้นมาเพราะจะต่อสู้กับธรรม ทำให้เก็ดความพอแท้อ่อนแอแล้วหาอุบายคิดแกล้งจิตให้คิดเป็ น, นงแง่ต่างๆท้ายก็เนความย่อหย่อนอ่อนแอมันก็เหยียบหัวไว้อีกเสียผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ฉลาดคอยสังเกตเจตสิธรรมที่คิดขึ้นมาเป็นแง่ธรรมะเพื่อถากฐานกิเลสหรือเป็นกิเลสเพื่อเหยียวย่ำทำลายธรรมในหัวใจดวงเดียวกันนี้ นี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องคิดด้วันต้องเป็นนักคิดนักเหตุนักผลสังเกตเจตสิกกระถสังขารคำว่าสังขารเป็นได้สองอย่างสังขารเทวทัศคอยทำลายตัวเองหรือคอยทำลายอัตถมนั้นประการสังขารฝ่ายมากเพื่อจะถอดถอนหรือปราบปรามกิเลสนั้นประเภทหนึ่งยว คือออกจากความคิดความปรุงนั่นเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวเป็นมีความหมายไปในทางดีหรือชั่วก็เรียกชื่อไปตามความหมายของเกรยรติธรรมที่แสดงออกเช่นเป็นไปในทางสั่งสมเกีเดติหรือกีบขว า, างทางท่านเรียกว่าเป็นสมุทยเป็นไปเพื่อความบุกเบิกทางเดินของตนก็ความหยุดพ้นจากทุกข์ นั่นทางเรียกว่ามักคือทา ง, งดัาเนินเพื่อความพ้นทุกข์ให้สังเกตจิตนั้นนะทำหน้าที่ความคิดความปรุงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับลูกฟุตบอลนั่นนะถูกเตะไปทางโน้นล้วเตะไปทางนี้กิ่งไปกึ้งมาอยู่โดยลาพังไม่ได้เรื่องจิตจะอยู่โดยลาพังตัวเองได้อย่างไร กิเลสมันเต็มอยู่ซึ่งเป็นเหมือนเขบเท้าที่จะคอยแตะจิตใจให้เอ็นนู่นเอ็นนี้คิดนุ่นตรุงนี้อยู่ตลอดเวลามันต้องอาศัยหลักธรรมะเข้าไปแก้สิ่งที่เป็นค่าสิดตอนนี้ให้ค่อยหมดไปหมดไปโดยลาดับ ด, ด, ด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามความอดความทนไม่อดไม่ผลนก็ไม่เรียกว่า เป็นผู้มุ่งต่อการต่องานอย่างแท้จริงไม่มีความภาคเพียรก็ไม่เรียกว่าเราเดินตามทางของตถาคตหรือไม่เดินตามทางของนาประความเพียร น, นี้มีไว้เพื่อคนจะเป็นคนดีความอุตสาห์พยายามในทางที่ชอบทุกข์ก็ยอมรับวัตทุในโลกนี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งทุกข์จะให้มีความสุขอยู่โดดเดี่ยวหาความทุกข์ มาสัมผัสไม่ได้หรือมาเกี่ยวพนไม่ได้นั้นไม่มีในโลกนี้เฉพอะอย่างยิ่งทุกในขันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงหรือหนักหน่วงทวงตัวเองให้รับททความทุกข์ความโทรมานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายความแสดงที่เด่นมากที่สุดในเรื่องความสุขความทุกข์ก็ควรใจเราอย่าเข้าใจว่ากายนี้แสดงความสุขให้เด่นเห็นเด่นให้เห็นนอกจาก เป็นความทุกข์ขึ้นมาเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยแสดงเด่นแต่เรื่องความสุขเมื่อร่างกายเป็นปกติแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เรารู้เรื่อรู้ราวอะไรไม่อยู่เฉยๆธรรมดจาจะแสดงความเด่นชัดตั้งแต่เวลาไม่ป ก, กติท่าวิการต่างๆเก็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคชนิดใดก็าตามเป็นสิ่งพิษแสดงความทุกข์ให้เด่นขึ้นในร่างกายถ้าจิตใจยัง ไม่ได้รับความอบมรมจิตใจก็เป็นโรควุ่งวายไปตามนั้นอีกเป็นสองโรคด้วยกันแต่ทวนจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่เด่นทั้งสองอย่างคือทั้งความสุขความทุกข์เด่นมากที่เดียวเวลาเป็นความสุขก็เห็นได้อย่างชัดเจนมีความปีติอื่นเดือบันเทิงไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม จ, แจะแสดงความสุขให้ปรากฏอย่างเต็นชัดเช่นเดียวกัน เวลาทุกข์ใจหรือสุขใจก็แสดงให้เห็นประจักษ์ใจนี้อย่างเด่นชัดยิ่งกว่าร่างกายที่แสดงความสุขเป็นแน่ไหนเราเลยไม่อยากพูดว่าร่างกายนั้นมีความสุขนอกจากแสดงแต่ทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเวลาปกติของร่างกายที่ไม่เป็นโรคเห็นภายอะไรเลยไม่เห็นแสดงความสุขความสบายให้เราเห็นอยู่เฉยเฉยธรรมดาแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละแสดง ขึ้นมากตามส่วนของโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วจิตก็สวมหลวมตัวเข้ามาด้วยความรุ่มหลง ม, มาวิบมาถีมางัดมาง้างอ่าภูเขาทั้งลูกให้มันกิ้งไปได้มันจะกิ้งไปได้อย่างไรลาภความจริงคือทุกขงังอนิจังอัตตามันเต็มอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเราจะไปงัดง้างมันได้อย่างไง เราต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จิตถึงจะปลดเครื้องหรือถอดถอนตัวออกมาด้วยความรู้เท่าทันการไม่หลงกลมายาของทุกคเวธนาทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในภายในร่างกายและจิใจผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ใช้ความทนิตพิจารณาดูจิตอยู่เสมออย่าปล่อยวางจิตเป็นสมบัติอัน้นขคาถ้าฝึกฝนดบรมได้แล้ว เวลานี้ยังไม่แสดงผลหรือยังไม่แสดงความเ ป, ปลก่ยนแปลงหรือไม่ยังไม่แสดงคุณค่ามาให้เห็นก็เพราะสิ่งที่มีคุณค่าครอบงำจิตนั้นอยู่ด้วยอย่าง น, นี้จึงต้องอาศัยการธรรนะปสสราถางเต็มสติกําลังความสามารถของเราจิตนี้นะ่ะเป็นตัวตั้งตัวติทั้งการ ตรวจแกะจิตใท่องเกี่ยวในวัฏสงสารทั้งความทุกข์ความสุขที่แสดงอยู่ตลอดเวลาอยู่กับใจดวงนี้ทั้งนั้นไม่ออกจากที่อื่นใดและจิตนี่แลจะเป็นตัวตั้งอันสำคัญเวลาทำละให้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วยิ่งเด่นชัดเนี่เป็นตัวตั้งสำคัญหรือเป็นหลักเจนอันตายตัว พูดอย่างนี้ถูกกับความจริงคำว่าหลักใจนันตายตัวนั้นคือหมดห่วงอดีตที่เป็นมาแล้วก็มารวมอยู่ในปัจจุบันที่บริสุทธิ์นี้เสียอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าสถานที่เวลามเวลาของกิตนี้จะไปไหนจะวกวนไปที่ไหนมาที่ไหนก็มารู้เท่าอยู่กับปัจจุบันนี้เสียเต็มภูมิอยู่ในปัจจุบันอิมพออยู่ใน ปัจจุบันนี้เสียไม่มีความหิวความกะหายโยกโยกความคอนไปเอ็นไปอดีตอนาคตไปในเรื่องต่างๆเพราะจิตคงตัวเต้มที่แล้วนี่นี่ยิ่งเด่นกว่าเรื่องทั้งหลายบรรดาที่จิตผ่านมาหรือเป็นมาเดี๋ยวนันเพราะฉะนั้นจิตจึงควรได้รับการอบรม ซักพอกให้เข้าถึงจิตแท้โดยไม่ลดละความเขียมสติเป็นของสำคัญได้พูดเสมอพูดอะไรก็ตามเทศไม่ว่าเทศในสถานที่ใดให้เราปราศจากเรื่องการพูดถึงสตินิ้เสียก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์นในการตระกอดความาพักเขียม ว่าหน้าที่การงานอายถ้าขาดสติแล้วเยียกว่าเสียมากยิ่งความเพียรด้วยแล้วสติเป็นสองสําคัญมากต้องระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นสัมปะัญญะขึ้นมาภายในตัวเองคือสติตามหลักธรรมที่สันแปลไว้สติปัญญาลึกล้ำนะความระลึ ก, ค ว, กความรู้เป็นระยะระยะระยะที่ กำหนดขึ้นมาเมื่อกำหนดไป น, น, นานๆใช้ไป น, น, นานๆอบรมไป น, น, นานๆบำรุงไป น, น, นานๆเลยกลายเป็นปสัมปัญญณยะขึ้นมามีเป็นอันดับที่สองพออันดับที่สามก็เป็นสติอัตโนมตัติน่นเมื่อถึงขนาดแล้วไม่ต้องสามารถระวังหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองรู้อยู่ตลอดเวลา ต่างจะตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลักจะทบทวนดูเรื่องความรู้สึกของตนว่าได้มีความทั้งทั้งเผลอจากเหอย่างไรบ้างหรือทั้งทั้งเผลอจากเหตุการณ์ที่มาสัมผัสสัมพันธ์ใจนี้อย่างไรบ้างโดยปรอยให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายอย่ายัง่งทําลายสิที่ไม่มีสติแต่โดยเกาะกับสติเพียงขนาดหนึ่งอย่างนี้ไม่มีเลยนั่นเป็นเรียกว่า สติอัตโนมัติถ้าอยพูดถึงในครั้งพุทธการาก็ท่านก็คือมหาสตินั่นเองคําว่ามหาสติกับมหาปัญญานี่เป็นคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกสําหรับผู้ปฏิบัติพอสติแล้เริ่ด ร, รู้ปัญญาจะวิ่งตามวิ่งตามสังขารความคิดปรุงภายในใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องรูปเคียงกิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคามาสัมผัส่างๆหูจหมูกลิ้นกายซึ่ง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 ถ้าจีนแล้วถึงจะปล่อยวางไปนั้นขแขนงนั้นก็ยังคงเส้นคงวายังคงขี้อยู่กับเราจนกว่าพิจารนาจะร้อยแล้วปล่อยลงไปตามธรรมดาเพียงความสัมผัสเท่านั้นจะสัมผัสตูงขึ้นทับดับทรอมสัมผัสทางนอกก็เหมือนกันตาหูจมูกทิ้งกายกับผู้เสียงเก่นรถพอสัมผัสกันพับพก็ดับไปพร้อมๆร้อร้อมพร้อมโดยดับธรรมชาติเขง้งหมด ไม่ต้องไปกำจัดปั่ปักเป่ามันเพราะได้กำจัดมาหมดแล้วรู้เท่าทันหมดแล้วหยุดเมื่อรู้เท่าทันหมดในสิ่งภายนอกต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันภายในขันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันผลสุดท้ายสังขารเป็นสิ่งละเอียดสัญญาเป็นสิ่งละเอียดมากเพราะเป็นนามธรรมาเกิดขึ้นสติปัญญายังสามารถรู้เท่าทัน นี่คือผลแห่งการอบรมสติฝึกฝนตนด้วยปัญญาในทางคิดค้นแง่ต่างๆสัมพันธ์แล้วจะค่อยเคยชินไปโดยลาดับไม่สงสัยนี่คือทางเดินของพระพุทธเจ้าทางเดินของพระสาวกท่านผู้หลุดพ้นจากทุกไปแล้วท่านเดินอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ลดลนะพอถอยความภาคเพียนเพราะฉะนั้นเราเป็น ลูกศิษตถาคตรปรากฏตนทัดๆอยู่แล้วว่าเป็นนักหัวและเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความยุดพ้นจงยึดหลักทางเดินของพระพุทธเจ้าเข้าฝังไว้ในจิตใจอย่าลดละท้อถอยทุกอะไรก็ทุกเถิดขอให้กิเลสนี้ได้หลุดลอยไปโดยลำดับเพราะงานของเหราที่ทำ ความทุกข์นั้นมีอยู่ด้วยกันโลกนี้เป็นโลกแห่งกองทุกข์โลกอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่สงสัยว่าผู้ใดอยู่ในสถานที่ใดจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกอนิจจังทุกขขังหน้าตานั้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเราไม่ได้อยู่เหนือโลกแห่งอนิจจังทุกข์ังหน้าตาทําไมจไมึงเป็นทุกข์แม้ไม่ประกอบความเพียรมากก็เป็นทุกข์อ้าวให้เป็นทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนี้ดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์เฉยเฉไม่ให้เกิดประโยชน์อันใด เอาให้จริงให้จริงนลปฏิบัติทรมาหรือมรรคผลนิพ่านนั้นเหมือนกับท้าทายอยู่ภาจิต น, นี่นะยาเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดทกความทรมานทางด้านจิตใจหาความสบายไม่ได้ก็เด่นอยู่ที่ใจมากกว่าร่างกายสมุทัยคืออะไรท่านสรุปความว่านั่นที่ราคะสหกตา ต, ต, ต, ต, ต, ตาตตะไรที่งานอยนหนึ่ง เสื้อยขี้ยางกามัต น, นาพุทธะนาห์หุ่ยภาวะตัณหานี่คือเรื่องของสมุทยัยที่สัมพยุตไปด้วยนังกิราคะคือความรื่นเริงมันเพ่งไปถึงกามัตัาหาพุทธะนาห์ยีตัุหานี่เป็นส่วนใหญ่ของรมุทยัยและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเชื้อของมันอยู่ที่ใจเมื่อเชื้ออยู่ภ า, ภายในใจแล้วจึงแตกกิ่นแตกก้านแตกขแขนงออกมา ทางตาทางหูทางจมูกทางนี้ทางการทางสัญญาอารนี่คือทางเดินของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเลยใช้ความพิิจพิจารณาแก้ไขปดเรื่องสิ่งใดที่กิตไปติดข้องติดข้องเพราะเหตุใดค้นคว้าจนให้เห็นชัดเจน ต, ติดรูปก็แยกภาพ ด, ดูรูปให้มันเห็นชัดเจนให้จิตหายตั้งแต่แล้วป่อยตัวเข้ามาเองมันรูปมันเป็นยังไงรูปรูปคนรูปหญิง ร, งรูปชายเป็นยังไง แยกดูเนื้อดูหนังดูเอ็นดูกระดูกตั้งผมผลและ้ังนั้นหมดตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในดูให้ถึงเหตุถึงผลสติกับปัญญาให้จดจ่อต่อเนื่องกันไปยาดลละยาสักแต่ว่าทําอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมของอริยเจ้าไม่ใช่ความเพียรไม่ใช่ทางเดินของนักปราศทางเดินของนักปราศต้องมีความเข้มข้นมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความมุ่งมั่น ต่อความรู้แจ้งแทงแตลอดในสิ่งที่กำลังสงงสัยยังไม่เข้าใจเอาให้เข้าใจอย่างทัดเจียนแจ้งความสงงสัยจะหายไปเองความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานนั้นก็ถอนตัวออกมาเองเพรรู้แล้วจะไปยึดไปสาคัญมั่นหมายอะไรอีกนะนี่คือการพิจารณาเรายกให้เยรียเอกประเทศอันหนึ่งเพื่อจะได้ตีแผ่ไปตาม ผลิตเนืสัยหรืออุบายของแต่ละหลายละลายผมสมมติว่าจิตติดรูปใันแยกอย่างนั้นแยกนั้นแล้วแยกเข้ามาภายในตัวเอง้เห็นชัดเจนอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเอามาพิจารณาเถอะไม่ผิดเป็นมากได้โดยการทางนั้นจิตติดทั้างนอกรักชังข้างนอกเป็นมุมไทยข้งมาจากข้างนอกจิตรู้เท่าทันในสิ่งภายนอกด้วยอุบาของสติปัญญาเป็นมากเครื่องแก้ถอดถอนความสงสัยความยินมั่นถึงมั่น ของตลได้โดยลําดับเข้ามาภายในใจนี้นการปฏิบัติจึงสําคัญอยู่ที่ความเพียรเราอยา่าคาดมักผล涅 น, นอย่าประคาดการสถ า, านที่เวลาเวลาซึ่งเป็นความผิดทั้งเพยเนื้เรศเวลามันเกิดขึ้นมันไม่ไดนิยมการสถานที่เวลามีเวลาที่ไหนมันเกิดที่หัวใจของเราเวลานี้ให้เอาลงจุดนี้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 แล้วกับธมูธไทยเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะดังที่กล่าวแล้วกามาตัญหาความหิวความโหยในการภาวะตัญหาความหิวความโหยอยากเป็นนั้นเป็นนี้นิภาะวะตัญหาความอยากในของไม่มีอย่างนั้นไม่มีข้อยาอืเกิดมาแล้วไม่อยากตายมันมีได้ที่ไหนอนี่ภาวะตัญหา และร ว, วมแล้วมันก็อยที่ไกจนิโรจนั่นท่านพูดถึงผลของมรรคนะคือความดับทุกความดับทุกนี้ดับไปโดยลําดับตามกําลังของมรรคคือสติปัญญาเป็นต้นเป็นผู้แก้ไขถอดถอนได้หรือปราบปรามกิเลสให้ระงับดับลงไปได้เป็นลําดับทลำดับนี่โรจคือความดับทุกขซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลส คือสมไทยนั้นก็ดักไปโดยลำดับดเมื่อมักมีสติปัญญาเป็นต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพีางไรกิเลสก็ยิ่งค่อยหมดไปหมดไปเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรอันสามารถมีสติปัญญาเป็นสำคัญหรือด้วยมหาสติหาปัญญา เราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสหยุดต่ อ, าอาจากใจเหมือนกับถูกฆ่าไปตลอดสายไม่ว่าจะเดินจงๆไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนานไม่ว่าจะขบจากฉันเดินไปไหนมาไหนสติปัญญาทํางานปรปาบปรามกับกิเลสหยุดตลอดเวลาไม่มีการละเว้นแม้ขณะหนึ่งเลยนอกจากพักผ่อนนอนหลับหรือจิตทักจิตให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิเสียเท่านั้น สติปัญญาประเภทนี้จึงไม่ทํางานเพราะออกจากนั้นแล้วจะต้องทํางานไปตลอดเมื่อทํางานตลอดก็เหมือนกับรบกับกิเลสไปตลอดเวลาจนกระทั่งกิงเลสหมดไปหมดไปหมดไปคือหมดอยู่ที่จิตนี่นะไม่ได้หมดอยู่ที่ไหนจะไปคิดที่อื่นกิเลสตัณหาสระมันพอกผูอยู่ที่จิตสติปัญญาผิดขึ้นมา ความอุตส่าหพยายามพกากเพียรหนุนเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นกิเลสมันหลุดลอยไปจากจิตโดยลาดับอันนั้นจนกระทั่งได้ดคุย้ยเกี่ยวขุดค้นหากันเย็ดตัวละเอียดเพราะถึงขั้นที่ปัญญามีอำนาจแล้วกิเลส่ะหมอกหาที่หลบซ่อนหลบซ่อนที่ตรงไหนก็ถูกปัญญาคุย้ยเกี่ยวขึ้นมาทำลายจนเรียบไปเรียบไปเรียบไป ไม่มีใดเดือมันเรื่องของกิเลสนี่กว้างขว้างมากตามอำนาจของกิเลสที่ยังไม่จิตใจของเรายังไม่เคยชำระมาะถ้าพูดถึงรูปทั่วโลกกระถากว้างขนาดไหนเสียงเสียงอะไรมันก็ติดเสียงดีมันก็ติดเสียงชั่วมันก็ติดเสียงดุเสียงด่ามันก็ติดเสียงสนั่นเสริญชมเชยมันก็ติดไม่ ว, ว่าไงไรรูปมันก็เหมือนกันเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส มันติดได้จากการทำนั้นเพราะฉะนั้นที่บอกเป็นกิเลสทั่วขอบเขตจักรวาลแต่เวลาพิจารณาแล้วมันก็คือกระแสของใจเป็นผู้ไปยึดไปเหนี่ยวไปรั้มขัญมันหมายไปหลงพนั้นพิจารณาแล้วมัาเข้าใจแล้วก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาดังที่เคยพูดอยู่เสมอ่วงแค่เข้ามางานของเราที่มันแผ่ไปทั่วโลกธาตุมันก็แผ่ เพราะงานมันพาให้แผลไปก็ต้องทํากิจวิเลศมันพาให้เป็นล้วก็ตีตะล่ำเข้ามาจนกระทั่งผลสุดท้ายก็มีอยู่เพียงในขันหน่กฟังด้วยเนอกนั้นปล่อยได้หมดด้วยอํานาจของสติปัญญาไม่สงสัยหยุดการพิจารณาได้เลยรูปก็าตามเสียงกลิ่นรสเครื่องน้ำผัดต่างๆซึ่งเป็นสิ่งภายนอกหยุดได้เลยไม่สนใจจะพิจารณาเพราะรู้แล้วพิจารณาหาอ่ำหนัก มันรู้ชาติภายในใจรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรไประยิบอะไรไปะถือผู้ยึดถือก็คือใจใจรู้แล้วใจผอยออกมาแล้วใจปล่อยวางแล้วไปพิจารณาหาอนะฉะนั้นนั่นก็ว่าพัวพันอยู่ภายในร่างกายจของขันขันห้ารูปประขันเอาแยกพิจารณาให้เห็นทัดนจิจะเป็นส่วนใดอาการใดก็ตามในร่างกายนี้กระเทือนไปหมดทั่วทั้งร่างนั่นเนี่ยเราถนัดใน อาการใดก็นอกากอาการนั้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามอัตตก็ตามเหมือนกันหมดยืดได้ไตรลักษณ์ใดก็เท่ากับได้ทั้งสามไตรลักษณ์เพราะทํางานเกี่ยวโยงกันไปหมดและรู้อาการใดพิจารณาอาการใดมันก็กระจายไปทั่วอาการทั้งหลายในส่วนร่างกายจนรู้รอบขอบชิดไปหมดภายในร่างกายด้วยปัญญาดังพระพุทธเจ้าสอนแล้ว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 เปื่อยผพังลงไปสลายลงไปกลายไปลไปเป็นธาตุเดิมดินน้ําลงไปเป็นเราได้ยังไงดินก็ยังทราบกัน่แล้วว่าดินมาเป็นเราได้ถือเป็นเราได้ยังไงน้ําก็เป็นน้ําก็รู้อยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้ไงเราเห็นได้น้ําการท้องน้ำเนี่ยล้มมันก็พัดไปพัดมานั้นเอามาเป็นเราได้ยังไงไฟเราก็เห็นอยู่เอามาเป็นไฟเอาเป็นเราได้ยังไงนี่คือปัญญาพิจารณาจะมันชัด เห็นประจักษ์ในจิตจริงๆท่านที่นี่บปัญญาแท้เห็นซึ้งรู้ซึ้งถอยถอนตัวออกมาด้วยปัญญาที่ทราบซึ้งแล้วในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นกลายมาเป็นความจริงอันหนึ่งพายในกิจแล้วก็เวทนาก็เหมือนกันนักพิจารณาเวทนานักกล้าหารนักคลิกแผ่นดิน เอาให้แขนดินถล่มภายในนี่สู้กเวทนานี่อันหนึ่งเก่ง ม, มากอันน้มันอาจฐานที่สุดถลงในพิจารณาแยกเรื่องทุกขเวทนามันเป็นอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วสับ์มันลงไปฟันมันลงไปลี้ผายมันออกไปจิตจดต่อต่อเนื่องอยากให้เผลอสติ ชาวตายก็ตายถึงชาวตายแล้วอยู่ไหนมันก็ตายโลกนี้เป็นโลกปา่าช้าเป็นโลกแห่งความเกิดตายนั่งภาวนาตายก็เห็นสติไม่ต้องนิมนต์ข้ามาไหนมาบูชาเวลานี้เรากําลังทำํำบูลาคือความฉลาดให้แก่ตัวเองอยู่แล้วจําเป็นเราจะต้องนิมนต์ข้ามาให้ลำบากลาบนมาบศลาทำมาให้บุญอะไรเรากําลังให้บุญความคือให้ความสุขแก่เราอยู่แล้วค้นลงไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยากให้มันหายทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อย เอาให้กินจังให้ถึงความกินให้เห็นหน้าเวทนาอย่างชัดเจนเห็นกายทุกส่วนอย่างชัดเจนว่าเป็นสักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้ น, น, น, น, นเห็นเวทนาทุกอาการที่แสดงขึ้นมาชักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่เป็นอื่นนอกไปจากนั้นเลยเนีย่แล้วก็จากนั้นมันก็ไม่พ้นจิตผู้ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนเข้ามากาหนดดูจิตก็สักแต่ว่าจิต นันกสักตย์เวทนานี่ก็สัตย์แต่วากายที่เมื่อต่างอันต่างสักย์แต่ว่าไม่มีอะไรกระทบกระเทือนอะไรไม่มีอะไรสำคัญนั้นหมายต่ออะไรแล้วความจริงก็เต็มส่วนทั้งสามอย่างเมื่อความต่างๆอันต่างจริงแล้วจิตก็ไม่กระเทือนทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยดูได้อย่างสบายอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะดูด้วยปัญญารู้เท่าแล้วในทุกเวทนาทั้งหลายนั่นมันเห็นชาติ่างนี้ จากนั้นก็เห็นชัดเข้าไปด้วยความซึมซาบของปัญญาเวทนาจะละเอียดขนาดไหนเช่นเวทนาฉุกขเวทนาชวนมากบิดเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดอออย่างยิ่งแล้วจะมีแต่ฉุกขเวทนาเด่นแต่ทุกขเวทนาอันนี้ก็ให้ิุงทราบเราอยากเข้าใจว่าทุกขเวทนาทานอนอเอเป็นทุก์นะ สุขเวทนาถ้าเราหลงรักมันก็เป็นสมุทัยได้เหมือนกันนั่นแยกท่านเห็นได้ชัด น, นี่เืยเราไม่เคยได้เห็นว่าสุขเป็นสมุทยัยเห็นแต่ทุกข์ขั้งอาญาสัจจังยิ่เลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทยัยความสุขที่เกิดขึ้นผ่านจิตถ้าจิตลุ่มหลงในความสุขเปิดอยู่ในสุขนั้น จิตอันนี้ก็เป็นสมุทัยได้นะถ้าจิตหลงเอาแยกแ ย, กแยกม้มาเห็นชัดเจนที่ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใดทุกระเอียดนันก็ทราบแล้วในขณะเดียวกันทุกระเอียดก็ทราบมาเป็นทุกขเวทนานี่คือยังเป็นสมมมิการพิจารณานามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาทั้งขาหนึ่งอ ย, ย่าง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 ให้เป็นความจริงให้รู้ด้วยความจริงพิจารณาจริงๆจนรู้ความจริงแล้วเป็นความจริงมาทั่วถึงกันหมดวิ่งเข้าถึงกันประสานกันได้ทั้งหลายที่นั่นพิจารณาเวทนามันก็ประสานไปถึงสัญญาสังขานึ่งอย่างแล้วก็พิจารณาไปหลายครั้งหลายหุนมันก็สามารถตัดขาดตนได้ได้อีกเหมือนกันเห็นรูปข้อขาจากความยึดถืออุปทานในรูปก็หมดพิจารณาเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยไม่ว่าจะ เฉยๆจะสุกมันก็รู้เท่าสุขเวทนาในส่วนร่างกายมันรู้เท่าเนี่ยมันปล่อยสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความตึงก็มีแต่แยกๆแยกๆออกมาแล้วเกิดความดับพร้อมดับควอมเราไปเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นจัตุรัสโมโหที่ไหนเห็นแต่ความเกิดความดับที่กระเพื่อมมีความผิดเยอะๆยๆยๆทนนานนั่นมันเห็นนี่อ่ะเห็นเตื้อตัญญาวิญญาณกับสันขันรับภาพสิง ภายนอกที่มาสัมผัสในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสผ่านไปอันนี้ก็กไไดับไปก็มีเท่านั้นความรู้แท้คือจิตไม่ได้ดนักพิจารณาลงพิจารณาลงไปเินกระทั่งจิตเล็มันไม่มีที่หลบซ่อนหมดหลบซ่อนทางรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสก็ถูกฟาดฟันทันแหลไปหมดไม่มีที่เหลือวิ่งเข้ามาสู่ขันห้าหดตัวก็มาสู่ขันห้า ค้นค้าคุ้ยเียรไฟตาปะะทรมเผาเข้าในขันห้ามีรูปเป็นต้นเอาไล่เข้าฝ่ายเมื่อแยกรูปได้เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วมันก็เหมือนสิ่งภายนอกเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นจิตจะไปยึดถืออะไรเพราะซึ่งด้วยปัญญาแล้วต่อยทันถิสัญญาสังขารนิ ญ, ญาณก็มีแต่อาการลึกๆๆๆหือ เรื่องของเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามีความหมายในเขาเลยเจ้าก็ให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาตั้งหาเมื่อปัญญาและพิจารณาแต่ตองให้เห็นทราบซึ้งจนถึงใจแล้วปล่อยหมดรูปก็ปล่อยเวทนาก็ปล่อยสัญญาทั้งขาหมินยานปล่อยทั้งนั้นเหลือแต่จิตที่มีที่เหือก็มีแต่เหลือแต่จิตไม่มีทางออกทางเดินไม่มีถูกตัดสะพานหมดแล้วจ่อขางตาข้างหูทางจมูกทางลิ้น งกาก็ตัดแล้วด้วยปัญญาประเภทหนึ่งจะออกมาสู่รูปเวทนาธัญญาทังขาวิญ ญ, ญาณมาาเป็นตนเป็นของตนแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถูกตัดด้วยปัญญาประเภทหนึ่งอีกแล้วนะประเภทนี้เรียกว่าประเภทอัตโนมัติที่ปัญญาอัตโนมัติมันมีทางไปวิ่งเข้าสู่จุดเดิมนะทีจุดที่เคยอยูเอ่เคยเป็นใหญ่เป็นโต เคยปกครองมานานปกครองโลกวัตจักรวัตจิตเข้าใจไห ม, มวัตจิตทิ่เ น, นอยู่วัตจิตอวิชาอยู่ที่จิตถูกทำลายไปหมดแลนอกนั้นกิการสาขาทางออกทางเดินออกเดินเข้าเพื่อกว้านหาอาหารหมดถูกทำลายหมดเนีวหลือแต่จิตดวงเดียวจิตว่าขุดค้อนลงไปตรงนั้นนั่นแหละที่เิียนรวมตัว ปัญญาพลาดไปตงไปนั้นด้วยการถือจิตเป็นเป็นเป้เปาหมายแห่งการพิจารณาโดยอนิจจังทุกขัาตามเหมือนกันกระสับกระส่าทำนั่นหลายเป็นแต่เพียงว่าเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่ากระสับกระาทำนั่นหลายที่เคยพิจารณามาแล้วไม่ได้เอาจิตก็ไม่เอาเอาจิตจะชิพหายก็ให้ชิพหายยกตัวจิตขึ้นมาเป็นจเอาเป็นเหมือนฟุตบอลก็ได้ไปลงไปตรงนั้น ยันกันไปถีตรงตรงนั้นเยียบย่ำลงไปตรงนลังอ้าวถ้าว่าจิตไม่ทนต่อการปฏิสู์แล้วที่เลสประเภทนี้ดับไปแล้วให้จิตจะดับไปด้วยก็ให้ดับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องอะไรฟาดตรงไปอ่าสิ่งใดเป็นสมมุติสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังาตาจะดับท้องมันไปเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังาตาเข้าไปครอบนําเลยหลังยื่งเด่นดวงนั่นแหละท่านอิศระทำ อิสนาธิพอยู่ที่ตรงนั้นอผู้บรรลุมรรคผลยุาพานบรรลุที่ตรงนั้นไม่ใช่บรรลุการน้นสถานที่นู่นที่นี่พราะแต่คว้าบรรลุคว้าไปนี้ให้เสียเวลามเวลาให้กําหนดลงตรงนี้ทุกขศาสัมภูทายาศาสตร์เครื่องปกปิดทุ่มหอ่อจิตใจอยู่ที่ใจนั้นมัดเครื่องเปิดทุกสัมภูทยายออกอยู่ที่ตรงนี้คือสมาธิปัญญาสติปัญญาและนิโรธนั้น มันเป็นผลพลอยได้มันแ่ะเมื่อฆ่าสมุทรไทยหรือทำลายสมุทรไทยลงไปแล้วทุกมันก็ดับไปเองที่เรียกแห่งทุกดับไปท่านเรียกว่านิโรธไม่ได้ทํางานอะไรและอันนั้นนิโรธเป็นตะกิริยาที่ดับทุกดับทุกเพราะอํำนาจของมารเท่านั้นถึงขั้นเอาให้แหลกแหลกให้หมดไม่เอาไว้เลยขึ้น่็สมมุติไม่มีเหลือพภารกิจที่จะทิพไถ่ไปก็ให้ทิบหายถ้าจิพไม่ทนต่อการดิสก เราทำเราแย่เสมอสุดท้ายก้าจิตไม่ด่าก็มีไดวิชาซึ่งเป็นตัวสมมตุติตัวอนิจจังทุกขังาตามันดบับดับถนัดบุญญาตาตะภิกษุณีบุคคลบุญและบาปอันละเสียเลยล ะ, ละที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้ทาท่านกระรัสชัรูที่ตรงนั้นท่านดับพบดับชาดดับกีเลสันหาเป็นบุคคลที่ เลอเลิศ ก, ก, ก็เป็นที่ตรงนั้นเป็นาศาสตาเอกของโลกเป็นาศาสตราเอกของพระ อ, องค์ก็เป็นที่ตรงนั้นพิกิตรสาวพระมาท่านก็เป็นที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องสำนักอีกนอกนั้นไม่มีอะไรจะเป็นแก้ที่เห่ือใต้ถ้าไม่ใช่ลหลักธรรมของพระเจ้าที่เหลือไม่กลัวอะไรในโลกนี้กลัวแต่ธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบความภาคเพียงด้วยธรรมที่เหลือจึงต้องขัดต้องแย้งเสมอคัดค้ า, าน จนกระทั่งเราลืมเพลงของมันกลองเราไมา่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่แหความเพียรมันจึงงอมเงียมงอมเงี้ยมงอมเงียมอมเี้ยไม่เป็นมากเป็นหลังออะเป็นอย่างนี้ละผมขนาดใจเหมือนกันนะแล้วก็มากด้วยถ้ามากไปทุกวนันทุก ว, นกวนมมันทํางานหมู่พื่อนมาเห็นใจหมูก่กล้วยแล้วก็คิดถ้ามีมากมันจะเหลวไหลนะมีนอนจึงเข้มข้นดู แกงหม้อใหญ่เขามันก็เลยหลงเหลงนล่ะที่ะกะทับบุ่งน่ะแหละแกงหม้อเล็กๆมันรสชาติมัดีนี่พยายามถึงจะใหญ่ก็ตามให้แยกเป็นหม้อเล็กๆแต่ละคนแต่ละคนให้มีความเข้มข้นแต่ตัวเองอย่าลดละความภาคเพียรให้เห็นภัยต่อที่เดเมสมอสําหรับผู้ที่จะข้าที่เดช ต, ต้องผู้ที่จะหนุดพ้นจากที่เดชมุ่งความหลุดพ้นมุ่งพระนิพพาน แดนแห่งความสูญสิ้นแห่งสมมติทั่าพวงให้เป็นผู้เห็นโทษในที่เละทุกๆุกประเทศในกาหนด ด, ดิที่จิตดูที่จิตที่กนนาที่จิตจะไม่ผิดหวังตรงนี้เป็นจุดที่ถูกต้องแน่นยามาตั้งแต่การไหนไหนไม่เพียงจะมีอยู่เวลานี้เท่านั้นเคยมีมาอย่างนี้แล้วแล้วที่เละทุกประเทศเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วในจิตใจของจัตโตโลกธรรมะจึงต้อง มีประเภทเดียวเท่านั้นเพราะกิเลสมันก็มีอย่างเดียวเหมือนกันประเภทเดียวคือเป็นภัยต่อจิตใจทุกชนิดรวมแล้วว่าเป็นประเภทเดียวที่เป็นภัยไม่มีประเภทไหนที่จะให้คุ้มและธรรมะเท่านั้นเป็นเพื่องที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกนั้นไม่มีกิเลสไม่กลักวเพราะเราจึงต้องประกอบความเปลี่ยนให้ระมัดระวังกิเลส จ, จะมาทำลายทำทำลายความเปลี่ยนของเราให้ล่มเหนียว ก็แล้วกันอาแค่นี้ก่อนในขณะที่มีอธิบายมีเ่้นงอืนตัวใจมันอ้มันเอาจริงนะถ้าใจมันออกก่อนทำไมผิาเป็นทั้งผ่านใจมันออกจริงกันมันอากางให้ทุกข์มากทำกับเพีแต่นคุ้มค่าด้ว เราไม่ได้เกอดาเรื่องความเปลี่ยงเราที่ทุ่ ม, มก็ผลเรืออ่อวความเพียยเมันหมนประจันในใจมันคุ้มข้าอย่างนี้เรารน่าจได้ธรามะธรรนั้นมันก็เป็นนิสรรมะธารนั้นมันก็เป็นนิสเนี่ยนิสัยของเราันียนิสยยัยยากผมพูดจริงๆผมมีเป็น น, ยยนิสัยยาบหนา นานที่เราจะเห็นได้เรื่องความเปลี่ยนถ้าธรรมดาทํำลำหนักไมไ่เรื่องกับผมอะ่ะไม่ว่าจะขั้นต้นขั้นไหนก็ตามมิจิจังกำมันตั้งมันก้ น, ก น, า น, า น, กนได้มัดมือชกเยขั้นสงบของมัดมือชกแบบมัดมือชกอือไปตอนโน่นละพี่ไปตอนที่ว่ามันอัตโนมันนั่นมันเลยางอาไว้น่ะพี่เลือก พอถึงขั้นนั้นแล้วความขี้เกียจมันหายหน้าไปหมดเลยไม่มีเหลือที่ยินนะมันก็ไม่กล้ามันจะเหลืออะไรไหนก็มีแต่จิตเอาเอาเอาขาวเยะเลยเี๋ยวล้าง่าาไว้มันมันเลยเถอดแล้ากเลยพูดได้ถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่รู้จักเป็นจักตายหรอะไม่รู้จักเป็นจักตายมนรู้จากสถานที่ว่า หน้ากลัวหนากะอะไรไม่มีเลยมันไม่เปนสนใจกับข้างนอกเมื่อเราจะเสือจะมาห้าตัวนี่มันก็ดูจะไม่สนใจยิ่งกว่านี้ไมนมีอะไรมีน้นําหลักยิ่งกว่านี้ถ้าเกิดว่านะ่ะคือถึงระยะนั้นแล้วมันไม่มีอะไรกับภายนอกเห็นทัง้งวัวเสืออัี่มันก็ปงยับขึ้นมาแล้วมันก็รู้ของมันเชียวทั้งคานเป็นเสือเสือมาทีไหนทั้งขานเป็นเสือตัวนี้เป็นไผ่เนี่ยมันมารู้ตรงนี้ยเยอะ ยัดเหมือนกับข้าแม่นะแต่ถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ได้ยัดเป็นตนเป็นตัวเสือมาอะไรมันว่างของมันคุณยังไนยัดมาก็เป็นภาคภาเสือก็มันเกิดขึ้นมานี้มันก็รู้เสียว่ามันปงขึ้นนี่เนี่ยมันเร็วมันทันกันมันก็ดับพร้อมอะไรเสียจะอะไรมาติดต่อแล้วจะใมีความกล้าความกลัวอะไรที่ไหนไฟกันตรงนี้ที่ที่ ะะนคะคระับผมเนี่ยโออาจารย์ยังยึดเกาไปอยู่กับอั่นผมมันจะรลืดอเรกว่านี้ผมมันท่านผ่านไปแล้เข้าได้ครับแต่ยไม่ได้พิจารณาอะไรระกานพอมันติดตรงไหนยึดกาะเรืองท่านท่นานส หายอยร่มันทะไปเลยน่ะมนเแล้วเรานึา่งงานไม่ได้มันติดปัญหาของตัวเองอะพอมันคุ้นเขียขึ้นมามันไม่หยุดไม่ถอยพอพอัญห า, าปรากดขึ้นมาก็นแ่ใได้ว่าได้งานทีนี้ เ, าเอาอย่างนหยุดไม่เป็นอาจจะกลมันสดซึงกันลงด้วยเหตุผลทติดกันลงด้วยเผลขาดไปสะบ้น้นลัด้วยเหตุผล ก็หาอีกคนคุยเกียจมันก็เป็นงานอีกงานขีเกียพอเจอแล้วก็เอาไปเนี่ยเนีุ่กดีเรื่องความเปลี่ยนอืมทุกจุดต้นหลังนี่ยใครอ่อยใจังจะมองพระอื่นแล้วเหนือใจนะ ข้ามหัวใจนะดูเรื่องเกี่ยวกิมันทางานอะไรมันรู้อะไรอะไรมันรู้เรื่องโลกเรื่องธรรมมันรุ่นมันไปทางกิเลสี่ไปทางธรรมะมันจะได้งทออี่เวลานะมีกสิทธิแล้วดูก็มีประนหัดคดหัดพิดาจารณาส่จองปัญญาไม่หักไม่ได้นะถ้าเป็นปัญญาึ้นมาดีเไม่เป็น ผมเงี้ยหพอมเจอมเนี่ยมันม่ติดสมาธิอ่ะทั้เป็นมันจนติดสมาธิว้นื้พานกะอยู่ตรงนี้เลยมันติดที่รูดิงอยู่อันเดียวนี่แลยเนื้อพานนี่เอากันนมันก็มาเรือไม่้แค่นั้นม่้ามาติดมนพันกับอะไรเกี่ยวยงกัอะไรไมเรื่อยตงๆมันาดมาฟังแบบจรู้่โอ้โหมันเกี่ยวยงอยู่และเนื้อ ปัญญาผู้ตัดคือเขามาช่วยนทุกเ่องเาเกมารวมกันเมื่อมีปัญญาสะตัดไม่ขาดเพื่อสมาธิมีเงกล้าพูดห ม, มดาเงินเือที่วราปญญาจะเกิดเองยาฝังหลังนี้เลค้านอกจากทิ่ปริ ญ, ญาพู้ใบุ้เอย่างนีจะเป็นไปลาแล้วไม่สงสัยตรงนั้ แต่ธรรมดาเราท่านเราลองเถอะเราจะทาแล้วเห็นผลจักเรานี้าพูดเลยพี่ติดสมาธิอยู่ดังการจังเลยห้าปีจริงท่านขาชุด10นยะติดเป็นมาธิง่ายงยมาถึงคือห้าปีคือเป็นชุดสี่ปีอะปีชุห้าเล่นเล่นขึ้นร่มออกปัญญา สิบห้าก่อนสินกลมไปแล้วเลยมันกับตีนโดนกับห้าป <homepage. S 1> ีกว่าเวลาไปง่ายๆปังจริงจังจะไม่ได้ชนะเป็นสมาชิกที่เกลียมีสัมผัสสัมผัสอะไรๆมันเหมือนกัว่าคนที่เกลียดไปตัดยอดตัดผลบ้างพหอนคใจจะตายแตะทำไมร่มมานอนหาไข่หนังไขยห่าง นี่พระธรรมสมาธิมันเงียบปิงไม่มีอะไรเลยเลือดลุ่ยเน่าถ้ามีเข้าไปป่วนเลยสบายได้ไหมสุดท้ายเราจะไปติดสมาทิถือเป็นมีความอันนี้เองมีควานมื่อแต่อันนี้เองโดมีอผ่านโอ้ถือขึ้นมาใจแข็งแ้วาหนักมันถึงออกเตายังโอ้โหมันเกี่ยวยกงสาวกี ขันติหลุดเนี่ยมัลอะขุ่นั้งนตัวานี่มันพร้อมยแล้วขากินประเภทน้ธรรมที่กินไม่หิวโหพระน้าทมันไม่เรื่องอะไรขันติธรรมรมที่เป็นตาปัญญาสัตวาหตน้คือสิ่ที่เป็นธรระที่จิไม่หิวโหยจอื่นตัวตามขันติร ทินี่จะพาทังานกับถ่องัี่ทำานเปนหยาเป็นปัญญาจริงทํนไม่เถลอถลหิวโหยกับอารมณ์นั่นอารมณ์นี้อึมได้เป็นสมาชิมันเป็นนะคุณว่อยู่ไนเราจที่งานเป็นปัญญาไปที่ไหนมุกนู่นอบเขตักรวาลนี่มันไม่มาทางานปัญญาทห่ทเป็นสัญญาอารมณงนี้ท่านคือใครจะว่าไปเรียนรับอารมณ์สีออกจะกตา เมืนจะมาคุยอ่อนโลกเพอาะความสงบไม่มีด้างถ้าเป็นคือเจอธรรมดาของกษิษละไรหนึืชตาสุญยาก็เป็นอย่างนี้เราก็ยกประเภศแต่ที่เราจะเอาอยปัจจุบันนเอาปัญญาเรียนสมาิมันก็เป็นอีกแบบหมือนกันคืชเรื่องความทุกข์นั่นแหละ ทำให้เป็นปัญดาความทุกข์มันดุนครับปัญดามดไม่เหมือนตัวเราได้หมึนนม่นเองเร่งเรื่องอาหารจำดจทุกเนี่ยทุกงมเนี่ยองดำเนิน ม, มาใจะ น, นะทํามักโคอยา่างไรมันจิตไม่ลืมเลย คือเกียงกระท้อ น, นั้นไม่มีลืเพราะมันมุกขกิจ ต, ตั้งกิจหนดดูเรื่องรอยที่เราพิจารณาางานี้มันเหมือนกับว่าเปิดโลกเขาเห็นทะลุ ป, ปุตบตกมันมีจะลืมตรงไหนตรงไห น, ไห น, น, จจ น, นเรื่องกาดกระทำเรื่องความจริงใจเป็นผู้ยืนยันเพราะจเป็นผู้รู้ผ้เหนระหว่างนั้นคนกำลมงไหน ขันด้วเสรมมัใช่อขันั่ขันุันนีัเนี่ยมันหลายขันก็ต้องันรุดขันเดยวขันเปัญยาขันขันรุดขันจําม่ดีรูปขันมันก็ขันรุดได้เลยนี่ฝานลงอ่อนรงทุกวันเดินธนาผันยิ่งเพื่อบุญมากเดิมขันยาขันก็ขันรุดขันคาขันนี่ันรุดมันตงน วิญญาขันติจะรับตามช่องต่างถ้าช่องนั้อเราทำรู้ม่ถูกวิญญาณมันจะรัาบอะไรขายนอกแต่นี่มี้ให้รับทราบหูดีตาดีเสียก็รับาบสมองยังดีเสียล่้นยังดีเสียตาดีเสียมันจะสัผัได้งานมั้นเ็้อทำรูดทำรู้จากถึง ให้เพื่องหนักเนี่ข้างานงานนี้เป็นงานสําคัญลเลยครับมันเห็นไปสําคัญยิ่งเดียวผมเห็นงานใดสําคัญยิ่งของงานทา ง, งานาแล้วมันเห็นงานผลงานใดที่เลิกยิ่งของงานผลงานของคนเราถ้าเอาตรงนี้เขายอบ้าอมบ้าตามงจิตมันฝังแน่นจริงๆไม่มีอะไรในโลกทั้งสามจะมาถาอดจิตออกแบนี้ได้ ความหนักแน่นเนี่ยนี่ก็เคลื่อนแน่งนะงานใดมันสำคัญาิ่งกว่างานถอนนะี่หนึ่งผลใดมมีสำคัญยิ่งกว่าผลเกิดขึ้นจากการถอน ง, งานนะี่หนึ่งถอนไม่ขึ้นถามโลกธรรถอนทันงหมด้ แ, แต่เราเองไม่เห็นสนใจจะถอนวัด อ, อะไรใครจะมาถอนเคลื่อนไหมเพราเราเคยดำเมิองนั่น อ๋อนี่ขาไม่รู้ครับ่ปาไม่มูดหรือไงมีมอ้อหมไม่ครับไม่ต้องเกิ